เทศในที่ประชุมสง์วันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยห้าณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการแสวงหาทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกัน คนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้องหาได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นคนโง่และลำบากมากจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปเช่นคนทุกจนมีจำนวนมากคนมั่งมีมีจำนวนน้อยนี่ก็พอสังเกตให้เห็นแล้วว่าคนโง่มีจำนวนมากคนฉลาดมีจำนวนน้อย เพราะเหตุนั้นคนที่ทุกๆตนตนดึงมีจนวนมากกว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์การแสวงหาทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันยอมคืนอยู่กับความฉลาดเป็นสินสำคัญกว่าอื่นถ้าเป็นคนโง่แล้วแม้จะเข้าไปนั่งติดคิดกับชายสะบงกีวร ของพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตา่างผลจะพึงได้รับของเขาก็คือความโง่นั่นเองจะได้ความฉลาดหรือคุณงามความดีจากพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเป็นการลำบากมากสำหรับคนโง่รับภายในก็ต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแสวงหาทรัพย์ภายในให้เป็นความสุขของใจได้ รับภายนอกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้วนับตั้งแต่เงินทองเข้าของและสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเรียกว่าทรัพย์ทั้งนั้นเมื่อตกเป็นกรรมติของใครก็เรียกว่าทรัพย์ของคนนั้นคุณงามความดีที่ให้นามว่าบุญซึ่งเป็นทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกัน ผู้ฉลาดแม้จะไปผู้ไม่ฉลาดแม้จะไปแสวงหาบุญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีกับเพื่อนเขาผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดของตนความฉลาดมีน้อยบุญกุศลที่จะพึงได้รับก็มีน้อย เฉพาะนักบวชของเราบวชมาในพระพุทธศาสนามุ่งหน้าจะบําเพ็ญตนให้พ้นสามทุกข์เหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเศรษฐีโดยถ่ายดีทันหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่สามประการคือคนบางจำพวกเกิดขึ้นมาในถ้ำ กางแห่งความยากจนคนแค้นเพราะพ่อแม่เป็นคนโง่และขัดสนจนทัพสมบัติเงินทองไม่มีจับตายเป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานดึงชาพเพื่อขอทานตามตรอกตามคอกมุมถนนและตามหน้าร้านต่างๆมารับทานพอปากพอท้องบ้างไม่พอบ้าง ลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกันเพราะว่าสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อาพัธวาสนาเช่นนั้นลูกจึงไม่มีแก่ใจที่จะคิดถึงความมั่งมีคิดถึงความเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างโลกเขาผู้มั่งมีเพราะพ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นตัวพิมพ์ให้ลูกๆเห็นอยู่แล้ว ลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่และเจี๊ยคร้านเหมือนพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ก็ทุกตนและพาขอทานเขากินวันหนึ่งอิมงมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างขนาดนี้ก็ยังดีอยู่บ้างแต่ถูกพ่อแม่บางคนทุกตนแล้วยังไม่พอยังเที่ยวหาฉกขลักล้นอี้เอาของเขามากิน สิ่งของหรืออาหารทุกชิ้นที่ได้มาเลี้ยงลูกก็เป็นการสอนลูกในตัวว่าสิ่งที่ได้มาเลี้ยงลูกนี้คืออะไรและได้มาจากไหนลูกก็เป็นการศึกษาจากพ่อแม่ไปอีกเหมือนกันไม่ได้สิ่งของบริสุทธ์มากินแต่ได้มาด้วยความทุจริตคือถูกลักล้นเข้ามาทั้งนั้น พอลูกเติบโตขึ้นมาไม่ต้องคิดหาการหางานและความรู้วิชาตามวัที่จะควรศึกษาหาความรู้ความาดใส่ตัวพ่อพ่อแม่สั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วคือการฉกรักตนอีสบัดจักจอกพ่อโกงปีชิงนิ่งลาวและความขี้เกียจที่คร้านสันดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเรียนวิชาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทางานกรมกองทันธนนิคมที่เขา หรือกันว่าเป็นวิชาแลงานที่ตําซึ่งคนในเมืองดีทั่วไปไม่ทำกันทั้งนี้เพราะพ่อแม่ตั้งตัวเป็นกระดานดำอันเต็มปไปด้วยตัวหนังสือคือความประพฤติและมรารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษาหัดทาหัดพูดหัดคิดทุกอาการเป็นการศึกษาจากพ่อแม่เสียจนเพียงพอ เพาตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่ก็หมูลนแล้วตัวขี้เกียจที่ค้านตัวคดโปงตัวขี่ช่อโกหกตัวฉกรักต้นกีชื่อว่าความทุจริตทุกๆแขนงมีอยู่ในตัวหนังสือคือหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดานดำคือพ่อแม่ทั้งนั้น ลูกๆก็หัดอ่านหัดวาดเขียนเรียนถ่ายทอดจากพ่อแม่มันจุความรู้ประเภทไปเผาโลกไว้ในตัวเสร็จพอใหญ่โตขึ้นมาบ้างก็เริ่มทำหน้าที่แทนพ่อแม่โดยเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเป็นลำดับไปค่อยๆกลายเป็นคนชั่วประพฤติตัวเป็นเสือร้ายทำความเดือดร้อนเจ็บชาวบ้านชามให้รับความทุกข์ ดอร้อนทุกหยองย่ า, ยามีจุดสำคัญคือจุดไปไม่บ้านไมหม่เมืองแบบกลับไม่ไวความกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็มีเพราะเกิดจากนิสัยของเหลียมแต่เองก็มีเพราะการครบคนชั่วสับาบชอบทุจริตก็มีคนประเภทหนึ่งคิดไปในแถวนี้ มีคนประเภทหนึ่งคิดว่าแม้เราไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่มีพอใช้พอรับทานเสมอบ้านเมืองเขาและเป็นพลเมืองดีเหมือนเขาก็พอมีหน้ามีตาเสมอบ้านเมืองเขาบ้างคนจำพวกนี้มีความขยันหมั่นเพียรพอสมควรไม่ค่อยมีความเกลียดคร้านเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรพอประมาณสมบัติเงินทองเครื่องใช้พอเป็นพอไป เมอบ้านเมืองและคนนเมืองดีทั่วไปเมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นบทเรียนยึดพ่อแม่ผู้เป็นกระดานและตู้หนังสือศึกษาความประพฤติการงานตลอดมารยาททุกอย่างรับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปชาชโปรกราเป็นคนนเมืองดีมีสมหัตพอจับใจใช้สอยไม่ผิดเครื่องเขามีอะไรก็พอมีกับเขา ไม่ทำความอับอายขายหน้าพ่อแม่ญาติวงและตัวเองจะก่คฆาสมาคมกับใครๆก็ก็ทำด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยไม่เป็นคนอับแสงต่อวงญยาตและสังคมทั่วไปเป็นคนทำตัวให้เป็นไปในแถ่แห่งความคิดของตนจนกลายเป็นผลมึงดีและมีสมบัติท้ายม่คนอยากขาดแคลน คนประเภทที่สองคิดไปในแถวนี้คนประเภทที่สามมีความรู้สึกแปลกจากสองจำพวกที่กล่าวมาโดยคิดว่าอย่างไรก็จะให้มีสมบัติต่างๆเหนือโลกเขาทั้งสิน้นและก็เริ่มสมหวังแต่ต้นทางเพราะโอกาสวาสนาอนันงงให้เขาได้เกิดในตระกูลม้างข้างสมบูรณ์ด้วยทรัสมบัตินรีรทำ ความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดได้ศึกษาจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่พาซื้อพาขายด้วยความขยันหมั่นเพียรหมุนตัวเป็นปรลโยวอยด้วยการงานและกิจการทุกๆแขนงพ่อแม่ทำลูกก็ต้องดูพ่อแม่พูดถึงเรื่องการงานอันใดลูกซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วต้องฟังและทำเนียบศึกษาไปด้วยทุกๆอย่างบรรดากิจการในบ้าน หรือนอกบ้านใกล้หรือไกลเพราะลูกๆเป็นทั้งนักศึกษาและเป็นคนนับ้ายที่ไว้ใจและสนิทที่สุดกว่าใครๆที่พ่อแม่จะมองข้ามไปไม่ได้และเป็นหัวหน้า ง, งานของผลงานในบ้านนอกบ้านและโรงงานต่างๆที่เป็นสมบัติของพ่อแม่จัดตั้งขึ้นกิจการทุกอย่างที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ลูกต้องเป็นนักศึกษาและเป็นคนงานอยู่ในวงงานนั้นๆพร้อมทั้งตาก็คอยดูหูก็คอยฟังและคิดอ่านทางใจไปพร้อมๆกันกิจการทุกอย่างทั้งทางคดีโลกมีการค้าขายเป็นต้นทั้งคดีธรรมมีการให้ทานรักษาศีล น, นั่งสดวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นต้น เป็นกิจที่ลูกจะศึกษาได้รับถ่ายทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติ ด, ดีชั่วว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาไดรับถ่ายทอดจากตนได้แล้วทำไปตามความชอบใจเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะการทำดีต่อชาติและการทำชั่วต่อชาติศา ส, สนาพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูมที่ทำๆกันอยู่นั้นเพราะต้นเหตุเป็นมาจากการศึกษาในภาวะเป็นเด็กทั้งนั้นอย่าเห็นว่ามาจากอื่นใครไม่เคยเอาคนแก่ไปเข้าโรงเรียนกันนอกจากสมัยวัฒนธรรมเท่านั้นที่ถูกเราควรทราบว่าเด็กเริ่มรับการศึกษาหลักธรรมชาติตั้งแต่วันตกคลอดเป็นลำดับมา จนถึงวันพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนอย่างเปิดเผยหลักธรรมชาติชุมทราบว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปพ่อจะให้การศึกษาแก่ผู้สนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้โดยไม่อ้างการทั้งไม่เหมือนตัวหนังสือและวิชาการซึ่งอาจมีที่เป็นบางการแล้วเปลี่ยนแปลงและสาบสนไปในบางสมัยฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นแม่พิมพ์ของลูกๆสาคัญยิ่งกว่าใครๆ ทั้งการเลี้ยงดูทั้งการให้ความรักและความสนิทสนมแก่เด็กซึ่งเกิดกับเราทั้งให้การศึกษาในรักในหลักธรรมชาติและหลักวิชาที่ควรจะเยนจากพ่อแม่เพื่อเป็นพื้นฐานของเด็กเพราะเด็กทุกคนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักศึกษาและถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ส่วนจะเป็นเด็กดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและถ่ายทอดของเด็กที่ได้รับมาจากที่ต่างๆ เมื่อเข้ามาบรรจุไว้ในใจแล้วจึงปรากฏเป็นความกดดันออกมาทางความประพฤติให้ดีบ้างชั่วบ้างดังที่เราเห็นกันทั่วไปทางนี้เพิ่งทราบว่าออกมาจากการศึกษาในหลักธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและหลักธรรมชาตินี้ไม่ค่อยจะมีโร ง, รโรงเรียนสั่งสอนกันแต่ผู้ศึกษามักจะยึดได้เร็วยิ่ยงกว่า ครูสอนในโรงเรียนซะอีกฉะนั้นเด็กๆทุกคนซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ไหนๆผู้ปกครองจึงควรสนใจเป็นพิเศษเสมอแม่เด็กที่ทํางานช่วยพ่อแม่อยู่ในบ้านพ่อแม่พาซื้อขายเป็นงานอาชีพอยู่ในบ้านเด็กก็เรียนวิชาค้าขายกับพ่อแม่ไปในตัวพ่อแม่มีความหนักเบาในแง่ไหนลูกต้องรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อยู่โดยดี เราจะเห็นได้จากพ่อแม่ของเด็กถือศาสนาอะไรถ้าผิดหรือผิดถูกดีชั่วไม่สําคัญแม่พระภูมิเจ้าที่ซึ่งมีอยู่ในที่ทั่วไปพ่อแม่พาถืออะไรจะเป็นศาสนาหรือลัทธิอะไรลูกๆต้องรับผ่ายทอดไปปฏิบัตินับถือสืบๆกันไปถ้าพ่อแม่รับศีรับธรรมลูกๆ ก, ก็ถือเอาเป็นแบบฉบับ และรักศีลรักธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติตามที่พ่อแม่เคยพาทามามีคนประเภทที่สามมีความขยันหมั่นเพียรมากผลปรากฏให้ดีเด่นกว่าคนทั้งสองประเภทที่กล่าวมาเมื่อแยกออกเป็นประเภทแล้วคนประเภทที่หนึ่งเป็นคนเกียดคร้านมากและงโง่ที่สุดทั้งทำตัวให้เป็นคนเลวทราม และเป็นที่ดูหมิ่นเย็ดย้มของคนมมือดีทั่วไปคนประเภทที่สองมีความขายันหมั่นเพียรและมีสมบัติพอประมาณส่วนคนประเภทที่สามมีความมุ่งมั่นจะให้มั่งมีเหนือโลกเขาทั้งนั้นทั้งมีความขายันหมั่นเพียรมากเพราะตั้งจุดไว้สูงจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ความอดทนก็มากความเพียรในหน้าที่การงานก็มาก วิ่งเต้นควอนควายหาการหางานเพื่อทรัพย์สมบัติหมุนตัวเป็นเปียอยู่เพื่อความขยันหมั่นเพียรและความเลาดรอบคอบในการงานทุกแขนงไม่ยิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาชน ท, ท, ทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่ง บวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธีบวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัดทำไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงเลี้ยงขีพอยู่เป็นสุขเพราะไม่ต้องขนขวายเหมือนอย่างคารวะบวชมาแล้วความขี้เกียจขี้ค้านก็มากการทะเละาะเบาะแว้งกับหมู่เพื่อนก็ลือนาะ แทนที่จะเป็นบุญกุศลเพราะการบวชตามที่เข้าใจกันแต่กลายเป็นบาปหาบทุกข์ใส่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องก็มีมากนักบวชประเภทที่สองเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลถ้าพอจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ขอให้พ้นไปว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริง เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจแย่หมู่เพื่อนด้วยกันมีความสนใจในการศึกษาะเวียนแต่ด้านปฏิบัติในใจทศิคาคือศิลสมาธิปัญญาด้วยความเพียรเป็นผู้บอกนอนสอนง่ายและเชื่อถือในหลักพระธรรมวินัยประกอบพิ ก, การงานด้วยความสนใจและ หลักเหตุผลนักบวชประเภทที่สามบวช ด, ด้วยอำ น, นาจความเชื่อความนุ่มใสจริงๆแม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษาระเรียนจากครูอาจารย์พอสมควรก็ตามแต่พอบวชเข้ามาแล้วได้รับการศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์หรือจากตำหนักตำาที่ท่านว่าไว้ยอย่างไรพออ่านดูตามตำราที่แสดงไว้ด้วยเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับการงานดีชั่ว คนดีคนชั่วผู้ทำตัวอย่างไรจรึงเป็นไปในทางชั่วผู้บาเพ็ญตัวอย่างไรจรึงเป็นไปในทางดีเพียงเท่านั้นก็รีบยึดมาเป็นคติสอนใจของตนทันทียิ่งได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านสั่งสอนก็ยิ่งเกิดความเชื่อความล้้สายอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกโดยท่าเดียวยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดลนะในอาบททั้งสี่มีความมั่นใจทำตนให้พ้นเสมอไปผู้นี้แลเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมากทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทำด้วยมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆคนประเภทที่สามนี้เป็นประเภทที่ไม่นิ่งนอนใจ การรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อความบริกบูดจริงๆและรักษาด้วยความระมัดระวังการทําใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบกอดีการจะทําปัญญาให้เกิดก็ดีไม่มีความนอนใจทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิมที่มีอยู่ตามทิสัยของปุถุชนต่างใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลำดับ จนกลายเป็นสติที่รู้ทันและกลายเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้มีทางโลกก็มีคนสามประเภททางธรรมคือนักบวชก็มีคนสามประเภทด้วยกันเราจะเลือกเอาคนประเภทใดในคนสามจำพวกนั้น เมื่อสรุปลงแล้วได้แก่ตัวของเราแต่ละท่านละท่านเพราะเราจะทำตัวเราให้เป็นคนประเภทหนึ่งก็ได้ให้เป็นคนประเภทที่สองก็ได้หรือจะให้เป็นคนประเภทที่สามก็ได้จะสำเร็จขึ้นในเราคนเดียวเพราะคนสามประเภทนี้เป็นข้อเทียบเคียงเมื่อย่นเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วเราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้งสามชนิดชนิดที่ทาตัวให้เร็วให้เร็วสาม มีแต่ความเก็ียดคร้านไม่สนใจใครต่อการปฏิบัติธรรมทำตัวให้หมดราคาก็ได้จะทำตัวให้เป็นคนชนิดที่สองก็ได้หรือชนิดที่สามก็ได้แล้วแต่ความชอบใจและต้องการจะแปลความคิดความเห็นของเราด้วยกายวิจัยถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปลกายวยจัยของตนให้เข้ารูปกับคนชนิดนั้ น, น, น เรื่องคนชนิดนั้นก็จะกลายเป็นเราขึ้นมาข้อคนชนิดนไหนๆก็ไม่เหนือจากเราจะแปลความประพฤติไปตามได้ทั้งสามประเภทจากเราคนเดียวถ้าจะเป็นคนประเภทที่สามอย่างไรก็จะทําตัวให้พ้นจากทุกในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นแล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเอียบ ท, ทั้งหลายโดยมีสติอยู่กับความเพียร และความเคลื่อนไหวของตนและมีปัญญารอบคอบกับเครื่องของตนเสมอไปอย่าปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของกายวาจะใจเคลื่อนคลาดออกไปสู่ทางผิดพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้ัมพันธ์กับอาการเคลื่อนไหวของตนเสมอไปทั้งนี้ไม่เป็นการรักษายากเหมือนรักษาสมบัติภายนอกสมบัติภายในติดอยู่กับตัวซึ่งพอรักษาได้เราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียว นั่งอยู่ก็ให้ทำความรู้ว่านั่งคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้ว่าคิดคำว่าเรื่องอย่าพึ้งเข้าใจว่าจะมาจากที่ไหนนอกจากจะออกจากใจของเราในเวลาเผอแล้วเป็นเรื่องติดต่อลูกลามไปเท่านั้นให้เกิดความสหายแก่ตนเองนับแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงส่วนใหญ่ ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไปนอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกในชาตินี้จงเห็นภายในความผิดและความประมาทความพลั้งเผลอสติว่าเป็นฆาตศึกษากตนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดตัญหาอาชวะที่เรียกว่าสมุทยัยแดนเกิดแห่งทุกว่าเป็นของดีด้วยแล้ว อย่างไรก็ต้องจมเอาตัวไปไม่รอดจงนี้ปลดเครื่องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมักหมมอยู่ในหัวใจของเรามีภูเห็นภัยต้องเห็นการสังสมพิเดชขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยพ่อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านกระดานฝาเรือนซึ่งเป็นเครื่องรักษาภายัยให้เราเป็นชั้น การทำจิตวัตรที่เรียกว่าเป็นความเทียนต้องมีสติประจำอยู่กับจิตวัตรนั้นๆอย่าให้เผลอเลยบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบครอบต่อตนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสของความักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของจันเรื่องจิตแล้วอย่างไรจะนเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้ ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติอย่าเอาสติไปคาดไว้ข้างหน้าคาดไว้ข้างหลังซึ่งเป็นอารมณ์อดีตอนาคตให้สติมีความรู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาจะข้ามพ้นจากกองทุกไปได้แม้จิตยังไม่มีความสงบก็จะเริ่มสงบได้เพราะอำนาจของสติโดยไม่ต้องสงสัย เพราะจิตจะพ้นมีสายของสติปัญญาที่สัมพยุ์ด้วยความเพียรไปไม่ได้ครูอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อลูอนามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์มั่นของเราสาหรับผมเองที่มีความเคารพร่วมสายในท่านและในพระคุณของท่านผมยกให้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบันตามที่เข้าไปศึกษากับท่าน เห็นอาการเคลื่อนไหวของท่านผิดแปลกจากพระธรรมวินัยไม่มีเลยปฏิปทาของท่านกลมเกลียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ไปศึกษาเท่าที่ผมเนี่ยเคยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานับว่าตรงกับแนวทางสุปฏิป น, น, นุปชุญายะสามีปฏิปชุญาไม่แยกทางเดินกันเลยท่านพระอาจารย์มัน่นนำเนินเบื้องต้น ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามฝึกหัดสติท่านชอบอยู่อง์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกจากการบำเพ็ญธรรม ถ, ถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญากรมเคลียวกับความเพียรตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นไตกับความเพียรประหนึ่งมือกับงานไม่ปราดเปรี ทำงานอยู่ตลอดเวลารัตติกับกิจรวมกันเข้าเรียกว่าความเพียรไม่ยอมปราศจากกันเลยแม้ความมั่นใจของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่อยู่ในโลกเกิดตายนี้ก็มีประจําอยู่ตลอดเวลา ถึงอย่างไรก็จะไปให้พ้นจากทุกในชาตินี้ให้จงได้จะไม่ขอเกิดอีกแล้วเพียงเกิดมาในชาติปัจจุบันปรากฏอยู่ในตัวก็อิบนาลอาจัจพอแล้วมีน้ำยังเห็นเรื่องความเกิดจากเจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดความทุกข์ทรมานระหว่างสัตว์ตัวมีอำนาจน้อยกับผู้มีอำนาจมากกดขี่บังคับ ทำทารุณโหดร้ายต่อกันเรรับความทุกข์ประจักษ์ตาเป็นเหตุให้เกิดความสะดสังเวยต่อเหตุการณ์นั้นๆเป็นกําลังเพิ่มขึ้นโดยลำดับเพราะเหตุนั้นจึงไม่ขอเกิดอีกในชาติต่ตอไปวิธีจะไม่ขอเกิดอีกนั้นขอถือความเพียรเป็นสักษีพยานภายในใจ อยู่ที่ไหนขอให้เป็นไปกับด้วยความเพียรเท่านั้นไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนินช้าต่อทางพ้นทุกข์นี่ท่านเลาให้ฟังตามโอกาสที่ควรท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อยถ้าไม่เคยติดบังผมเลยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอยู่ที่นี่ปิดเป็นอย่างนี้แม้ที่สุดเวลาปิดของท่านจะถึงแดนแห่งความสมหวังอย่างจุใจท่านก็เราให้ฟังว่าท่านอยู่ ใต้ร่มไม้ซึ่งอยู่โดดเดียวเพียงต้นเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าขณะดตรัสรู้ใต้ร่มโพต้นเดียวปรากฏขึ้นในขณะนั้นตอนกลางคืนยามดึกจังัวะมีตามที่ ท, ทราบจากท่านมาเรื่องวิถีจิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากจําเพาะตนเอง จะไปเรียนเรียนแบบจากกันมานั้นมันเป็นไปไม่ได้ตลอดความรู้ต่างๆในแง่ธรรมในต้นมวลโวหารซึ่งจะนำมาสั่งสอนมู่เพื่อนเนื้อประชาชนต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามภูมิสายวาฒนาเหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ใช้สมบัติของเศรษฐีเองคนตัวมีสมบัติน้อยก็ใช้สมบัติของตัวใครจะมีจะจนต่างก็ใช้สมบัติที่ตัวหามาได้ทั้งนั้น เรื่องนิสัยวาสนาใครจะมีมากมีน้อยกว้างแคบย่อมขึ้นอยู่กับตนเองโดยเฉพาะจะไปหยิดยืมกันมาใช้ไม่ได้อาศัยวาสนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองเพราะเหตนั้นกิริยามนรษยาอัติยศัยตลอดคำพูดจา ร, ราัยความรู้ความฉลาดลื้นจึงมีความแตกต่างกันตามนิสัยวาสนาแม้เราจะศึกษาอยู่กับ ท่านเป็นเวลานานก็ตามแต่จะประยุก์เอาอัดทำจากท่านมาเป็นสมบัติของตนตลอดการนำแสดงให้ใครๆฟังสนหรับผมเองแล้วรับไปไม่ได้นอกจากเรามีนิสัยวาสนาความรู้ความสามารถมากน้อยก็อาศัยไปตามกำลังของเราเท่านั้นจะเป็นความพอดีและไม่เลยขอบเขตความงามของตนสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดในการแนะนำสั่งสอนมาก เช่นจุดสําคัญสำคัญท่านไม่ยอมเปิดเผยเล ย, ยแสดงเฉพาะปฏิปทาเครื่องดําเนินเท่านั้นพอไปถึงจุดสําคัญท่านปีบคาพูดออกจากจุดนั้นเสียแล้วก็ไปโผล่ขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งท่านไม่ยอมเปิดเผยจุดที่สําคัญเหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสําคัญแต่ก่อนผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายของท่าน มาทราบเมื่อภายหลังจะ ถ, ถูกหรือผิดก็ขออาภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะท่านเจรลาดมากสมกับเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญสำคั ญ, คญมีอยู่สองประการคือผู้มุ่งต่ออาตตอธรรมจริงๆจะนำเอาธรรมะ ข, ของท่านไปเป็นโลบังหน้าโดยแอ บ, บอ้างมากเป็นของตนแล้วประกาศโฆษณาขายกิน ผู้มีความมุ่งหวังในธทมอย่างแรงกล้าเมื่อพิจารณาไปถึงจุดนั้นแล้วทำเป็นหลักธรรมชาติที่ท่านรู้และแสดงออกมาไม่ใช่ทำที่จะคาดหมายเอาโดยลําพังพอได้ฟังจากท่านแสดงในจุดสําคัญนั้นแล้วไปหมายหรือมีความสําคัญอย่างละเอียดแทรกขึ้นมาในขนาดนั้นแล้วเข้าใจว่าตนรู้ในภูมิธรรมนั่นไปเสียเลยกลายเป็นสมุทยัย กอความหลงตนเองขึ้นจากความสำคัญนั่นโดยไม่รู้สึกตัวนในจุดเคล็ดลับทั้งสองนี้สำหรับผมเองรู้สึกว่าโง่มากเพราะความหวังต่อหมู่เพื่อนผู้ตั้งใจมาศึกษาจึงไม่มีนี่รับแม้แต่น้อยเปิดเผยมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยปิดตรงไหนบ้างและควรเปิดตรงไหนบ้างเปิดเผยมาเป็นลาดับ จนหมดถีดความสามารถของตเนเองจึงกลายเป็นความโง่โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจจริงๆสําคัญผิดไปบ้างเพราะความไม่รอบคอบของตนอาจจะมีอยู่บ้างในประการที่สองทั้งนี้เพราะอำนาจแห่ง เจก น, นาหวังดีในหมู่เพื่อนท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดทั้งภายนอกภายในภายนอกท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเอาง่ายๆฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเองถึงสองสัวันก็มีผมเองเคยคิดอย่างนั้นสาหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ผมไม่มีโอกาสทราบได้แต่พอผมแล้วใจจองคาพูดของท่านซึ่งตนถือว่าเป็นอุบายอย่างเต็มกาลัง บางครั้งตีปัญหาในคำพูดของท่านถึงสามวันยังไม่รู้เรื่องเลยกราเป็นต้องเข้าไปกราเปลี่ยนถามท่านว่าเท่าที่ท่านในอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนั้นกระผมเองนำไปพิจารณาถึงสามวันยังไม่เข้าใจคำหมายไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อมปลายแห่งคำพูดของท่านอาจารย์ที่ควรถือเอาอยู่ที่ไหนและมีความหมายเพียงแค่ไหนในคาพูดนั้น ท่านก็ยิ้มรับเพียงเล็กน้อยแล้วตอบว่าอ๋อยังมีผู้พิจารณาตามอยู่หรือนี่ท่านว่ากราบเรียนท่านว่าตามก็ตามด้วยฐานะแห่งความโง่ไม่ใช่ตามด้วยความฉลาดอันใดท่านก็ตอบรับมาเล็กเล็กน้อยน้อยว่าคนเราเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องโง่ไปก่อน และทุกคนเกิดมาไม่ได้หาความฉลาดและเงินทองกองสมบัติมาด้วยสักรายเดียวแต่อายัยความหมั่นศึกษาใจตรองความขยันหมั่นเพียรก็กลายเป็นคนฉลาดมั่งคั่งจนกลายเป็นเจ้าของกองสมบัติเงินทองขึ้นมาได้และสามารถเป็นใหญ่เป็นโตและเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของชาวโลกได้เรื่องของธรรมะก็เช่นเดียวกันไม่มีใครจะเป็นเศรษฐีธรรมะ หรือเป็นอรหันต์พร้อมกับบรรันเกิดมาท่านพูดเพียงเท่านี้และไม่ยอมเปิดเผยให้ฟังเลยว่าทาที่เราข้องใจนำไปพิจารณาสองสัมวันยังไม่ได้ความนั้นที่ถูกควรหมายความว่าอย่างไรปัญหาทางนี้พึงทราบได้เมื่อภายหลังการที่ท่านไม่ยอมเปิดเพราะเหตุใดเพราะถ้าเปิดแล้วจะเสริม คนให้โง่ยิ่งขึ้นเพราะสิ่งใดที่สําเร็จรูปมาแล้วจากผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้ประดิษฐ์คิดทําขึ้นด้วยความฉลาดของตนถึงคราจําเป็นขึ้นมาอาศัยสิ่งสําเร็จรูปจากคนอื่นไม่ได้เราไม่มีวิธีช่วยตัวเองก็หมดหนทางโดยไม่ต้องสงสยัยถ้าอาจารย์มั่นคงคิดทํานองนี้จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อห้องใจ นเวลาปรเรียนถามท่านการศึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้ออัดข้อธรรมโดยทายเดียวยังต้องพยายามทําตนให้เชื่องชินต่อข้อวัดปฏิบัติคือทางดําเนินที่ท่านผ่าดำเนินจนเป็นที่เชื่องชินติดจิตติดใจกายวาจาของเราการอยู่กับท่านเป็นเวลานานเป็นทางโกงตื้นนิสัยแข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดีความรู้ความเห็น เป็นการถ่ายทอดจากท่านวันนั้นเล็กละน้อยจนกลายเป็นความมั่นคงขึ้นในตัวเองเพราะการอยู่กับท่านความปลอดภัยมีมากโดยมากผู้เข้าไปหาท่านและศึกษากับท่านย่อมได้รับความเชื่อความลุ่มใสเพราะท่านเป็นธรรมดีแล้วผู้เข้าไปอาศัยย่อมเป็นธรรมตามฐานะของตอนนอกจากนั้นยังเป็นความเคยชินต่อการระวังทั้งรวมอีกด้วย หากว่าได้จากท่านไปเราเป็นผู้สนใจต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะยุยุงตัวได้ดูบายต่างๆที่ได้รับจากท่านเวลาเราอยู่กับอาจารย์มักผลนิพพานดูเหมือนจะเอื้อมมือถึงทำอะไรก็เป็นชิน้นเป็นอันปรากฏผลขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อจากท่านไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นคนหน้ามุมโลกไปถ้าจิตไม่มีหลักฐานโดยมากต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าจิตมีหลักฐานคือมีสมาธิและมีปัญญารักษาตัวอยู่ที่ไหนข้อดีและเป็นประโยชน์ถ้ามีข้อห้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถแก้ไขได้ต้องรีบไปหาท่านเพื่อรับการศึกษาเมื่อรับแก้ไขข้อห้องใจแล้วโดยมากปัญหาข้อห้องใจย่อมขาดสะบัานลงทันทีแต่หนึ่งท่านช่วยตัดช่วยฟันให้สาหรับผมเองเป็นอย่างนี้บางทีจากท่านไปเพียงห้าหกวันเท่านั้นเกิดข้อห้องใจขึ้นมา แค่รอไปอีกสักสองสาวันไม่ได้ถ้าเราแก้ปัญหาข้อห้องใจนี้ไม่ได้จากขณะปัญหาเกิดขึ้นถึงสว่างของวันรุ่งขึ้นตอนเช้าต้องรีบไปเพราะข้อห้องใจบางอย่างสําคัญมากเมื่อเกิดขึ้นแล้วตนเองแก้ไขไม่ได้ต้องรีบไปปึกษากับท่านแต่ข้อห้องใจบางอย่างไม่ค่อยสําคัญนะแม้เกิดขึ้นแล้วเราจะรอไปอีกหลายวันก็ยังได้ ปัญหาทั้งนี้เทียบกับโรคบางชนิดแม้เกิดขึ้นแล้วจะไม่รีบด่วนในการตามหมอก็ได้แต่โรคบางชนิดลงได้เกิดขึ้นแล้วถ้าตามหมอหมอไม่มาเราต้องไปหาหมอไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายข อ, ของใจชนิดสำคัญนี้เมื่อปรากฏขึ้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ต้องรีบไปหาครูอาจารย์จะปล่อยหายโดยลาพังย่อมเป็นไปไม่ได้ ผลปรากฏจากข้อห้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นคนเถือเ ล, อลงหลงหลวมดื้กลายเป็นคนบบอไปบ้างอย่างมากถึงเต็มบ้าไปเลยที่โลกให้นามว่าทําแตกโดยมากเกิดจากปัญหาข้อห้องใจซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไขปล่อยไว้นานๆไปก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมา ปัญหาดังกล่าวนี้ผมเคยเป็นในจิตใจของผมเหมือนกันวันที่อาจารย์มั่นมรณภาพผลได้เกิดความสลอดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกที่ว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรอะไรอยู่แ้าเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่คี้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 จนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยทีเ่เฉยจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมารณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่านแล้วนั่งรำพันรำพึงรำพันปรงความสลดสังเวช น้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบสองชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาทําในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนรมมาเป็นเวลาแปดปีที่เรามาใส่อยู่กับท่านเวลานานถึงเช่นนี้แม่คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งต่อกัน และลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็คงจะมีข้อข้องใจกันอยู่บ้างในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ลงรอยกันก็ได้ในบางสมัยแต่ถ้าอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถึงถึงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสาหาประมาณนีได้ ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้อันนี้จาวตสังคาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันเ่วมใสและอาลายิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสา ม, มารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรากับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจวันไหวอยู่ด้วยความหมดหวัง และหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้งสองอหลือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปคิดตวานิรุษชันติเปิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมติทั่วๆไป ตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุพสามุสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรุงความสรดสังเวศอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติทั่วทั่วไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากพบชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกัน คนละกิ้นจะต่อให้ติดกันอย่างสนิทอีกนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเรื่องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเปรื่องกับใครและใครจะมารับปลดเรื่องปัญหาของเราให้ชิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้ว เป็นกับตายมีเราคนเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้งชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้นแต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจำวันก็ได้สิน้นไปใช้แล้วในวันนี้เราจึงกลายเป็นสัตวป่าเพราะหมดยารักษาโรคเมื่อนั่งอะไรอวาถึงท่านด้วยความ ขอรบรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งความหมดหวังในท่านก็ได้อุบาตต่างๆปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นว่าวิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ท่านสั่งสอนอย่างไรต้องจับเอาเงื่อนนั้นแลมาเป็นครูสอนตนและท่านเคยย้ำเสมอว่าอย่างไรขออย่าง น, นี้จากหลักฐานคือผู้รู้ภายในใจถ้าจิตมีความรูแ้แปลแต่แปก ซึ่งจะให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถที่จะนาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จัดเอาเงื่อนนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองเต็มความสามารถมีความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราเราเห็นกันอยู่นี้ และต่างจะได้ผ่านไปเช่นเดียวกันความยากลำบากมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสายนี้ไปด้วยกันจะต้องผ่านทางลำบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญก้าวหน้า ท, ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะใครๆไม่เคยเป็นเจตฐีมาด้วยความเจดค้านอนดอีให้เฉยต้องเป็นขึ้นเพราะความขายันซึ่งจะต้องยึดความลาบากเป็นเส้นทางเดิน ความลำบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้องเป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางธรรมก็ควรทราบว่าความลำบากเป็นทางเดินของนกักปราชญ์ทุกทุกท่าชั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่ า, าทุกขสาณตารังสุขขังมีสุขเพราะยดความลำบากเป็นทางเดิน ทางทุกข์ก็มีกดทางท่าไว้ว่าสุขสารนันตารังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเลยผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลำบากเป็นอุปสรรคทุกหักคิดค้นในสภาวัธรรมสุ่มีอยู่รอบตัวไม่อยุ่ยัง้งผู้นั้นก็จะเป็นคนประเภทที่สามเทียบกับประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้วจะกลายเป็น ประเภทเตรั้ยงบูปะสมตุขโขความนังนับดับเชื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกๆประเภทเป็นความสุขปราศจากโลกามิตรจีงก่อกวนและเป็นความสุขที่สมหลังโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงถนนัตจัยในคนทั้งสามประเภทนี้แล้วเลือกเฟ้นเราเองว่าคนประเภทไหน เป็นประเภทที่เยี่ยมอยู่ในตัวของเรานาบานัตนี้เพราะเราทำได้ด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่ะคาดพอจะรอกฆ่าหรือตัดวิะของผู้ภาคเพียรเพื่อทางดีจงเป็นผู้อาจหานต่อการปกเครื่อง ตนจากเครื่องผูกพันเรื่องความทุกข์ความลาบากซึ่งเป็นเงาของขันที่ผู้มีขันจะต้องได้รับเป็นภาระด้วยกันทุกรายใครจะมาโกหกกันกันไม่ได้ต้องเป็นทุกข์และกังวลเท่าที่ทราบกันอยู่ในขันของตนของตนและควรจะทราบว่าทั่วโลกต้องเป็นเช่นเดียวกับขันของเราที่ครองตัวอยู่นี้ นั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงมันผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดพ้าเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเราอย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัวอย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าตมขนมและอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานขาวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญแท้จริงก็คือยาพิษนั่นเอง เป็นสิ่งรงอดลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับขมกันอยู่ในโลกกองทุกอันนี้แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดเพื่ออานาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เพราะความโงค่ความหลงนั้นนับจำนวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดช่องไหนดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายท่ำๆต่างๆ ทั้มันเนี่ยนอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกำหนดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ข้อคอทําเรากลัวจะท่าไหลไปเป็นสัตว์มีดาฉานให้เขาฆ่าเขาตีจนพวกช้ำดาเขียวหมดทั้งร่างนั่นมันสําคัญถ้าเหลือตายก็หายใจอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญหายตัวตายก็ตายไปตัวยังมีชีวิตยอยู่ก็จิต สใจหายและมีความวาดบันต่อความตาอยู่ตลอดเวลาและวันหนึ่งวันหนึ่งใส่เข้าโรงงานคือในหม้อและเตาไฟเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้มากไปนั่นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่กราประมวลกองทุกมาพอทราบความเป็นไปของสัตว์โลกแล้วเกาะใดบ้าง พอจะเย็นถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันละขันชื่อว่านักปฏิบัติแล้วต้องคํานึงคํานวณรายได้รายเสียรายดีรายชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบยี่สิชั่วโมงที่เราไม่สบายเพราะเป็นการกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะขันหรือเพราะอะไรมาทําให้เราลําบากกังวลยืนเดินนั่งนอนเพื่อขัน รับทานวิฉันเพื่อขันแในอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบขั้นที่ทําทั้งนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็กๆน้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาราฮัมเวปัญจขั้นฐานขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้เพราต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขา เราจะถือว่าเป็นของหนักเขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขาไม่เคยมาทับมาถมหรือกดขี่บังคับให้เป็นพระให้เราได้เป็นพระรับเป็นความลําบากกับเขามีแต่ขันห้าเท่านี้ทับผมกดขี่บังคับให้เราได้รับความทุกข์ลาบากทุกทางการเคลื่อนไหวนับแต่วันขันเริ่มขอดตัวขึ้นมาต้องรับความทุกข์เกิด้อด ทุกร้อนด้วยการยิ่งเส้นคุ้นขวายขามาเพื่อขันและว่าขันเยี่ยมนาจมากทําให้โลกไหวไปตามกันทุกหย่อมยญ้าจนถึงวันขันแตกทําลายเรียกว่าพวกเราเป็นธาตุแห่งขันแต่วันเกิดเป็นวันตายเมื่อสรุปความเรื่องขันแล้วก็ลงเอื่อยกันที่ว่าบ่อแห่งความกังวลคือขัน บอ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันเป็นปุขนทางการให้เป็นไปตามอำนาจความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้างที่อาจรรย์จากขั น, นแม้ขันอื่นที่เราจะไปรับเป็นภาระในชาติหน้าจากกำเนิดเกิดขึ้นมามันก็เป็นขันอันเกิดตายอันเดียวกันจะเป็นนายเหนือทิะของเราให้เป็นทุกข์ไปกับเขาอีกฉะนั้นจงพากันพิจารณ า, าให้ชัดเจนด้วยพัญญา ชาติที่เราเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันเราไม่ต้องไปคาดหมายหรือไป น, นับไปอ่านจงถือเอาชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นเห็นอยู่นี้เองมาเป็นเครื่องที่สูจร์ทบทวนดูผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีตทั้งขันในอนาคต ว่ามีลักษณะอันเดียวกันกับขันที่มีอยู่กับตัวของเราจจุบัด น, นี้ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งใจรักซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลาแม้จิตจะมีความฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอืมสักเท่าไหร่ก็ทนต่อสติกับปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อยังไม่คล่องแคล่วก็ต้องบังคับถูถยกันไป ถ้าสติกับปัญญามีกําลังพอทรงตัวได้แล้วจะเหมือนความสว่างกับกองไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกันเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกหัดจนเกลี่ยไกลอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่จะต้องทูดถายกันไปตลอดเวลาเหมือนเด็กแรกเกิดยังไม่มีสติปัญญาและกําลังช่วยตัวเองผู้ใหญ่ต้องช่วยเป็นภาระเนี่ยงดูทุกอย่างจนกว่าเด็กจะมีความสามารถช่วยตัวเองได้ กาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ขึ้นเคยให้ความดูแลเด็กก็หมดภาระไปเรื่องของสติกปัญญาก็เช่นเดียวกันย่อมมีกําลังสามารถขึ้นเป็นลําดับจากการอารมเสมอไม่ลดละหรือปล่อยไปตามยถากรรมนับวันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลาเป็นมหาสติมหาปรราัญญาถึงขั้นทํางานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกต่อใจแล้ว ทุกประเภทถ้าถูกมหาสติมหาปัญญาสังหารจนหมดขึ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธ ท, ทั้งดวงธรรมโมก็เป็นของอัศาจรรย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทำความพยายามและจงเห็นภาระที่จะเป็นไปข้างหน้าเท่ากับภาระคือความเกิดจเจ็บตายที่เป็นอยู่ใน สัทธะสังฐานซึ่งพระจักกับเราอยู่ในหมนัดนี้กับจะมากยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่ทราบว่าจะขนาดไหนจึงควรทำตัวให้พ้นไปเสียได้ในชาตินี้โดยพระจักกับใจของเราอองอยู่ที่ไหนก็สาบายหมดปัญหาเรื่องกเกิดตายไม่ต้องไปนึกถึงที่ไหนไหนรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เองฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนาไปพิจารณา บำเพ็ญตนนึกความมุผงอาจกระหารต่อใรทิกขาคือสีสมาธิปัญญาจุดหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเทศที่สามจะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทำนายเห็นทาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรอยู่เวลาพยัติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทีวัง